ไอ้คำนี่มันหนีไม่พ้นนะครับครับครับแต่ไอ้ที่หลวงพ่อแนะนำว่าให้เป็นผสมดาบานนี่จะได้ป้องกันไอ้พวกงาใบพงอ๋อไม่ลงลึกรับอย่างนํามันอย่างมาก่ อ, อกมาเป็นมนุษย์ปวยไข้ไม่สบาย